ในคาถาที่เกานน ะ, น ะ, นะ า, าววิสาณสูตรหน้า165พระปพระปเจกพพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งบอกว่าได้ยินว่าพระคราเมเหสีของพระเจ้ากรุงพารณนีสีสิ้นพระชนต่อจากนั้นเมื่อวันเป็นที่โศกที่เศร้าโศกผ่านไปก็แปลว่าพระมเหสีสิ้นพระชนพระราชาก็เศร้าโศกเสียใจอยู่หลายวันด้วยกัน หลายวันผ่านไปก็สิ้นโศกเหมือนันนะ่ยนะก็ยางว่าโศกัะมันก็ไม่เที่ยงรอกแต่ว่าแม่กว่ามันจะอะไรนะน้ำตากว่าจะแห้งก็หลายวันอามาทั้งหลายก็เลยกราบทูลพระราชาว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายทรงปรารถนาพระมเหสีในกิจนั้นนั้นแน่แท้ก็แปลว่าจะขาดมเหสีได้อย่างไงเหือนันนะ่นะ มเหสีองค์ก่อนสิ้นพระชนก็สิ้นไปแต่ก็ควรจะมีองค์ใหม่ดังข่าพระองค์ขอพระวโรกาสขอพระองค์ทรงปโปรดนำพระเทวีองค์อื่นมาเถิดมีใหมเออ่เถอะว่าคำกล่าวกับพระราชาก็ต้องไพเราะหน่อยนะพระราชาก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพนายจงรู้แปล ว, ว่าไม่ปฏิเสธอามาตย์เหล่านั้นก็สแสวงหาอยู่รู้ว่าพระราชาในประเทศใกล้เคียงสวรรณคต ก็พระเทวีของพระองค์ใ้ทรงครอบครองราชสมบัติและพระนางก็ทรงมีคันพระนางนี้ทรงเหมาะสมแก่พระราชาก็เลยทูลขอพระนางมาไม่ทั้งคู่ก็จับแต่งเสซะเลยพระนางก็ตรัสว่าธรรมดาหญิงที่มีคันย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลหายท่านทั้งหลหายจงรอจนกว่าข้าพระเจ้าจะคลอดก็ตกลงตามนั้นถ้ารอไม่ได้ก็สแสวงหาหญิงอื่นก่อน นะถ้าถ้าไม่รอก็แต่งจะเอาองค์ไหนก็เอาไปอามาทั้งหลายก็ไปบอกเนื้อความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าแม้พระนางทรงคันมีคันก็ช่างเถิดจงนำมาเอามีท้องก็เอาว่างั้นอามาเหล่านั้นก็ให้นำมาพระราชาก็อภิเษกกับพระนางนั้นแล้วพระองค์ก็พระราชาทานโภคทรัพท์ทั้งหมดแก่พระมเหสี พระองค์สงเคราะห์ด้วยการสงเคราะห์นานาชนิดแก่บริวารชนของพระนางพระนางก็ประสูตรพระโอรสตามกาลละอันสมควรพระราชาก็ทรงกระทําพระโอรสแม้นั้นในพระเพลาและในพระอุระแปลว่าในอกแปลว่าในบนตักบนอกเนี่ยนะทุกอิริยาบถเหมือนพระโอรสของพระองค์เองรักเหมือนลูกทุกอย่างเลยนะเลี้ยงดูอย่างดี แต่บริวารชนของพระเทวีก็คิดว่าพระราชาทรงสงเคราะห์พระกุมารเหลือเกินพระราชาเลือไทยทรงโปรดปรานอย่างยิ่งเอาเถิดนักยุทั้งหลายก็เข้ามาแล้วพวกเราจะยุโยงพระกุมารนั้นให้แตกกันนะส่อเสียดก็เข้ามาแผนสอเสียดเนี่ยนะก็เลยทูลพระกุมารว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระราชาของพวกข้าพระองค์ พระองค์ไม่ใช่เป็นพระออรสของพระราชาพระองค์นี้ขอพระองค์อย่าถึงความคุ้นเคยในพระราชาพระองค์นี้ครั้งนั้นพระกุมารอันพระราชาตรัสว่ามานี่สิลูกแม้จับที่พระหัตถ์ดึงมาก็ดีก็ไม่สนิทกับพระราชาเมืออแต่ก่อนก็เพราะถูกสอเสียดไว้แล้วเนี่ยนะถูกยุให้รำตำให้รั่วไว้เรียบร้อยแล้วคุยยังไงก็เลยคุยไม่รู้เรื่องพระราชาก็เลยพิจารณาว่านั่นอะไร มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะพระ อ, องค์คิดแป๊บเดียวพระ อ, องค์ก็รู้แล้วนะคือปกติเนี่ยคือคือท่านเป็นคนฉลาดมากผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะบรรลุพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมีบุญมากแล้วก็มีปัญญา ม, มากโดยมากปัญหาว่าท่านอยากรู้หรือเปล่าแค่นั้นแหะถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้นะท่านคิดแป๊บเดียวท่านก็รู้แล้วปัญหาว่าสําคัญว่าท่านอยากรู้ไหมนี่พอท่านบอกว่านั่นอะไรแค่นั้นนะคือถ้าท่านสนใจแล้วเป็นต้องรู้ว่างนะั้น ก็เลยรู้เหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็เลยคิดต่อไปว่าเออชนเหล่านั้นเราสงเคราะห์คือช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยความสงสารขนาดอย่างนี้แล้วก็ยังประพฤติเป็นปฏิปักษเป็นฆ่าศึกต่อตระกูลขนาดดูแลดีอย่างนี้นะยังมาทําตัวแบ่งแยกแตกแยกทําตัวเป็นเหมือนกับกึ่งกึ่งกบฏมางั้นเถอะก็เอือมระอาเอือมระอาพวกไอ้บริวารบางช่างยุช่างแย่ทั้งหลายเนี่ยนะ ก็เลยสละราชสมบัติออกบวช ด, ดีกว่าเนี่ยนะเบือ่อคือรู้เลยว่าอนาคตต่อไปมันจะเป็นอะไรมีแต่เรื่องรําคาญไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะคือไอาการที่พระองค์จะตัดสินใจโดยอะธรรมมันก็ไม่ใช่เหตุคือคือปัญหาบางอย่างนี่มันต้องแก้ด้วยอะธรรมนี้ท่านก็ไม่ยอมแก้ด้วยอะธรรมเช่นใช้อาทยาใช้อะไรทั้งหลายพระองค์ก็ไม่ใช้พระองค์ก็บอกว่าหาหาทางอย่างความสงบอย่างอื่นเถอะ แม้พวกอมาตบริวารชนเป็นอมา ร, รู้ว่าพระราชาผนวดแล้วก็ออกบวชตามบริวารก็บวชตามเลยนะมนุษย์ทั้งหลายรู้ว่าพระราชาพร้อมกับบริวารชนบวชแล้วก็นำปัจจัยอันประนีตนาเข้าไปถวายพระราชาได้ปัจจัยอันประณีตตามให้ปัจจัยอันประนีตตามลาดับผู้แก่นะก็คือแบ่งอาหาร ในบนรรพชิตนักบวชเหล่านั้นเนี่ยนะที่เรียกว่าบริวารพวกอามาตะมาบวชบรรพชิตนักบวชเหล่าใดได้ปัจจัยดีบรรพชิตเหล่านั้นก็ดีใจพวกที่ได้อาหารไม่ดีพวกนี้ก็เพ่งโทษว่าเราทํากิจทั้งปวงมีการกวาดบริเวณเป็นต้นได้แต่พัดคือได้แต่ข้าวเร็เวๆผ้าเก่าๆนะนี่ขนาดเรียกว่าอะไรนะสละบ้านสละเมืองสละบุวชภรยามาออกบวชก็ยังมาเดือดร้อนกับไอ้เรื่องข้าวเงี้ยนะ ที่นี่มันก็แบบอำหมาแต่ละคนพระพิะบริวารที่เป็นนักบวชแต่ละคนเนี่ยชักไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เรียกว่าบรรยากาศเอว่มครึมตึงเครียดเข้ามาแล้วพระองค์ก็รู้เรื่องนั้นทั้งหมดก็เลยคิดว่าเออเมื่อถวายปัจจัยตามลำดับผู้แก่บรรพชิตทั้งหลายก็ยังเพ่งโทษโอ้ยบริษัทนี่มันส่งเคราะห์ยากแท้เนี่ยนะนสงเคราะห์บริวารทไมมันส่งเคราะห์ยากจริงๆเลยเนี่ย ก็เลยถือบาทและจีวรไปแต่พระองค์เดียวเข้าป่าไปบอกลาใครแล้วเนี่ยนะมันยุ่งจริงๆเลยคนรอบข้างเนยคนก็เลยปรารบวิปัสนาทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณหลังจากบรรลุแล้วชนทั้งหลายผู้มาในที่นั้นก็ถามกรรมาฐานพระองค์ก็บอกตามเป็นจริงว่าที่บรรลุเนี่ยมันเพราะอะไรบ่างั้นว่าบรรปะชิตบางพวกก็สงเคราะห์ออยากว่างั้นน่ะนี่แหละนักบวชนักบวชทั้งหลายพระพิสูธทั้งหลายมันสงเคราะห์ออยากจริงๆ แต่ใครที่ผ่านประสบะการณ์มีประสบะการณ์จะรู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้อย่างที่พระพระ อ, องค์ว่างนั้นแหละมันยากมากมันเรื่องมากเขาก็มีบางวัดเนี่ยนะเขาบอกเขาคุยกันเขาบางทีเขาก็แจกอาหารตามพระแก่ใช่ไหมพระแก่ก็รับอาหารก่อนพระอ่อนก็รับทีหลังไอ้พระอ่อ น, ออนบอกไอ้ที่ผมชอบชอบเขาก็เอาไปหมดแล้วแล้วผมจะฉันอะไรอ้าวถ้าท่านอยากได้อย่างที่ท่านชอบท่านก็บวชให้มันนานสิ่ระมาณบอ ก, บอกโอ้เรื่องไม่เป็นเรื่อง น, นะสละมาทุกอย่างเลยแต่ก้อนเข้าเนี่นะ นักก้อนข้าวก็ไม่ใช่ของตัวเองอนะเขาใส่บาทมาไม่ยังยอมมาทะเลาะ ก, กันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกว่างอนกันอันหนึ่งครือขัดอยู่ครองเรื อ, กอกนกะ็สงเคราะห์ยากนะสงเคราะห์บริวารเนี่ยสงเคราะห์คนโน้นก็ผิดคนนี้สงเคราะห์คนนี้ก็ผิดคนนั้นอันนะคุยกับคนนั้นก็ว่าคุ้นเคยกับคนนั้นไอคนนี้ก็เครียดอีกเหมือนกันโอ้มันยุ่งจังเลยก็มือนกันบุคคลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยแปลว่าอย่าไปยุ่งเลยเหมือนกัน กับบุตรของคนอื่นไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยใช่ไหมไอ้อย่างสงเคราะห์เด็กมันก็ไม่ใช่ลูกของเราแท้ๆอะไรเลยแต่มันยุ่งจังแล้วก็ไอ้บริวารก็ไม่ใช่ลูกคนเราเลยมันเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นดีกว่าว่างั้นนันไปคนเดียวก็ได้ไหมมาพร้อมกันที่ไหนว่างั้นนะแบบพระโพธิพระโพธิท่านบอกอโพธิในโพธิชาดกนะท่านมหาโพธิท่านบอกว่า เอ้าก็่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก่อนนี้ข่าพระองค์อาตมาก็ไม่ได้เป็นเป็นที่รักของพระองค์มาแต่ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาอันสมควรอาตมาไปละเราั้นสรุปว่ายังไงก็ไปเั้นนี่ก็เหมือนกันนะในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกับผู้แทนเจ้าเพราะบริวารมันสงเคราะห์ยากมันเรื่องมากเหลือเกินเนี่ยนะที่จริงมันก็ทะเลาะ ก, กันเองนั่นแหละแต่ว่ามันวุ่นวายก็ที่ใดที่มีการทะเลาะ ก, กันที่นั่นไม่พาสุข เพราะอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งแต่เพ่งโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายนึงมันมีความเลวตรงไหนบ้างจะได้เอาความเลวนั้นมาพูดว่าชั้นนี่ดีเหลือเกินนะที่ฉันปฏิปัติต่ออีกฝั่งหนึ่งเพราะอีกฝั่งหนึ่งเลวจนฉันทนไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันบอกว่าเอ๊มันเลวตรงไหนบ้างมันจะเลวนิดเดียวก็ช่างเถอะเห็นเขาเลวนิดเดียวเท่าฝุ่นเนี่ยมันมองเห็นเท่าก้อนเมฆแต่ความเลวของตัวเองเท่าก้อนเมฆมันเห็นเท่าฝุ่นเห็นนมันตรงกันข้ามก็เลยมองแต่ผู้อื่นเลวหมดดีแต่เราอยู่คนเดียวนี่ ใช่มันมีดีอยู่ฝักดีในฝักก็ดีนอกฝักว่างั้นแต่ดีถ้าดีมากๆมันจะดีสันน้นนะนะเพราะพวกนี้ก็ลําบากนะพวกใครที่คิดว่าตัวเองดีเกินไปโดยมากมันจะดีสั้นในตอนหลังนั่นแหละมันก็จิงกะพงกับโมแต่ทะเลาะเบาแ้งกันขาดเมตตาต่อาการพูดถึงกันด้วยเหมือนกับว่าโอยมหาโจนอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าเขาฆ่าคืออีกฝ่ายหนึ่งมันเลวเหมือนเขาฆ่าครอบครัวเราหมดสิ้นเลยนะแม็เหมือนกับเขาเลวขนาดนั้นเลยนะ จริงเข้ามาเดอะไรโรคเนี่ยนะท่านก็ผู้ที่สงเคราะห์ยากๆนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่เขามีความรู้เขามีความสามารถที่เขาเบื่อหน่ายประชุมชนก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยนะหลายท่านก็บอกว่าเออต้องการผู้ที่แนะนําผู้ที่บอกแต่แหมพอบอกคํามันอนธะิบายได้20คํามีเหตุผลที่ไม่ทําตามหมดชี้แจงได้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อถ้าอย่างนี้นคนบอกก็เพลียใจยเลยเพราะงั้น เนพระประเจกท่านยังมีปัญญาขนาดนี้ท่านยังหนีเลยอคิดดูท่านมีปัญญามากกว่าพระอัครส า, าวกนะท่านยังเบื่อเลยเพราะงั้นอธิบายว่าบรรพชิตพวกเหล่าใดถูกความไม่ยินดีครอบงบําแม้บรรพชิตเหล่านั้นก็สงเคราะห์ยากนะพวกที่เบื่อในการเจริญกุศลเบื่อในการหลีกเล่นเนี่ยนะเขบอกว่าบางแห่งเนี่ยไปไปจาริกไปจาริกเนี่ยนะนะทุกคนก็จะแยกย้ายกันอยู่ใช่ไหมและวันที่หนึ่งแยกย้ายกันอยู่ไกลลิบเลย วันที่สองมันรวมตัวกันเข้าเริ่มใกล้ชิดใกล้ชิดหนักๆเข้าก็กลางกรดติดกันนั่นแหละทีนี้ก็มีแต่เดรัฉานกระถาแล้วก็พูดคุยกันโอ้ยกันเรียกว่าเอาลิงมาอยู่ป่าจริงๆเลยคนนี้หรือครรหัุ้นครองเรือนก็สงเคราะห์ได้ยากเหมือนกันเนี่ยนะอีกคนหนึ่งได้ประโยชน์ไปก็ดีใจอีกคนหนึ่งเสียประโยชน์ก็ทําลายอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายก็นเรียกว่าสึกชิงเลื่อยขาเก้าอี้กันก็เข้ามา เรานี่เกลียดไอ้ความเป็นผู้สงเคราะห์ได้ยากเหล่านั้นเจริญวิปัสสนาบรรลุพระปัเจกับพะพุทธเจ้าเลยนะเห็นในความเป็นสังฆะธรรมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทำที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่มันสงเคราะห์ยากสงเคราะห์ อ, อีกสงเคราะห์หัวผิดท้ายสงเคราะห์หน้าผิดหลังอย่างเงี้ยนะคนทั้งหลายก็เหมือนกันเอาใจคนซ้ายผิดขวาเอาใจคนข้างหน้าผิดข้างหลังอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเนี่ยตาหูจมูกลิ้นไอ้ท่าสีที่อยู่ภายในนี่แหละมันสงเคราะห์ยาก ให้เอาให้อโปธาตมากมันผิดเตโชให้เตโชมากมันผิดวายโยให้วายโยผิดปัทวีก็เหมือนกับให้ยาใช่ไหมให้ยาอันหนึ่งไปผิดอีกอันหนึง่งให้ยาอีกอันหนึ่งไปมีไปมีโทษอีกอันหนึง่งเนี่ยกายนี่มันสงเคราะห์ยากที่สุดนั่นแหละกลายบอกขัด น, นามขันรูปขันคือมหาพูดก็สงเคราะห์ยากเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันยิ่งสงเคราะห์ยากกว่า น, นั้นอีกออกถเถอะเถอะแบบนั้น กะเชื่อก็กพอทุ่ไหวข้าั้นนะดูแลได้ดูแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปได้บริหารได้นะเมื่อไรจะเบื่ออย่างที่พระประเจกท่านเบื่อบ้างในคำอธิบายที่บอกว่าพวกบรรประชิตบางพวกนี่สงเคราะห์ยากอธิบายว่าบรรประชิตบางพวกในาศาสนานี้เมื่อคนอื่นให้นิสัย ให้นิสัยก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยเนขะาต้องอยู่นิสัยอ่ะนะแปลว่าอยู่นิสัยก็อยู่ในการดูแลวนะ่างั้นแปลว่าต้องอยู่ในการดูแลให้อุเทศคือหัวข้อปริปุญชา้าการสอบถามให้จีวณบิณฑบาตให้ภาชนะที่ทำํำด้วยโลหะให้ภาคเครื่องกรองน้ําภากรองน้ําลูกดานให้รองเท้าประคดเอวให้แล้วก็ไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ สอนก็อใหม่ฟังไม่อยากจะรู้ไม่ตั้งจิตรับรู้ไม่ฟังไม่ทำตามทำหยาบเบือนหน้านี้โดยประการอื่นชื่อว่าพวกหนึ่งสงเคราะห์ยากไม่สนใจเลยนะแนะนำยังไงก็แล้วพวกครองเรือนก็เหมือนกันเหมือกันพวกครองเรือนเนี่ยนะครับคือหักบางพวกในโลกนี้ให้ช้างก็แล้วให้รถก็แล้วให้นาก็แล้วให้ที่ดินก็แล้วให้เงินก็แล้วให้บ้านให้ทองให้นครให้ชนบทเสร็จแล้วก็ไม่ฟัง แนะนำยังไงก็ไม่เอาไม่เงียสลดลงฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ไม่ฟังไม่ทำตามประพฤติหยาบเบือนหน้าโดยอาการอื่นนี่เรียกว่าทั้งบัะชิตทั้งผู้ครองเรือนก็สงเคราะห์ยากพึงเป็นผู้ขวนขวายในเป็นผู้ขวนขวายในผู้อื่นและบุตรทั้งหลายอธิบายว่าพึงเป็นผู้ความถึงความขวนขวายน้อยคือไม่ห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า เป็นผู้ขวนขวายน้อยในผู้อื่นและบุตรทั้งหลายพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรดสรุปว่าพระประเจกองค์นี้ท่านบอกว่าบรณประชิตพวกหนึ่งก็สงเคราะห์ยากคือหัดของผู้ครองเรือนคนอื่นบางคนก็สงเคราะห์ยากพึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยแปลว่าเลิกยุ่งสทัทีในบุคคลอื่นและบุตรทั้งหลายหรือบุตรคนอื่นเนี่ยนะพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรดเหมกันก็บรรลุแล้ว ก็ <c oughs> แล้วแต่จะอะไรเป็นสังเวกขวัตุคือผู้ที่สั่งสมบูรณ์มาเป็นอย่างดีเนี่ยนะมองอะไรเป็นสังเวกขวัตุพอที่จะเป็นเหตุให้บรรลุได้หมดเลยคาถาที่สิบได้ยินว่าพระราชาพระนามว่าจาตุมาสิกะพรหมทัตในกรุงพารณาสีเสด็จไปสู่พระราชอุทยานในเดือนต้นแห่งฤดูร้อน พระองค์ก็เห็นต้นทองหลงังซึ่งสล้างด้วยใบหนาะทีเดียวว่ากันต้นทองหลงังใบหนาะแน่นมากใบดอกเต็มที่ในภูมิภาคอันเป็นที่รื่นรมในพระราชุทยานนั้นก็ตรัสว่าจงจัดที่นอนให้เราที่โคนต้นทองหลงังเสร็จแล้วพระองค์ก็เล่นในพระราชุธยานแล้วก็บันทมที่โคนต้นทองหลงังนั้นจนถึงเวลาเย็นก็เสด็จไปสู่น น, นก็กลับไปสู่พระราชุทยาน ทนี้ในนี้ตอนเดือนต้นแห่งฤดูใช่ไหมพอหลังจากนั้นพระองคก็ไปสู่พระราชจุทยานอีกในท่ามกลางเดือนท่ามกลางแห่งฤดูร้อนฤดูร้อนนี่ปกติมีกี่เดือ น, ส, อนสี่เดือนใช่มสามสี่เดือนเนี่ยสี่เดือนนี้ก็เดือนที่หนึ่งก็ไปแล้วเดือนกลางๆ ก, ก็ไปอีกในการนั้นต้นทองหลางก็ผลิตดอกแล้วในการนั้นก็ออกดอกครั้งนั้นก็กระทำอย่างนั้นนะไปพักใต้ใต้ใต้ใต้ต้นทองหลางนั่นแหละ หลังจากนั้นเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนสิ้นฤดู ร, อร้อนพระองค์ก็ไปอีกต้นทองหลางนี่มีใบร่วงหล่นหมดแล้วเหมือนกับต้นไม้แห้งในการละนั้นพระองค์ไม่ทรงเห็นต้นไม้นั้นเลยก็เลยจัดก็ตรัสให้สัง่งทำให้ทาที่บันทมที่โคนต้นทองหลางนั่นแหละตามที่ประพฤติมาในการก่อนอมา ร, รู้อยู่คื อ, อพระราชาเนี่ยเราบอกว่าก็ วันที่จะไปเสด็จพระพาสอุทยานใช่ไหมเพระองค์จะให้จัดที่พักที่ไหนพระเจ้าขา้าไอ้ที่โคนต้นไม้นั้นอะที่โคนต้นทองหลังอ่ะพระราชานี่ไม่รู้หรอกว่าต้นมันใบนี่มันร่วงหมดแล้วนะไม่รู้แต่อํามาตตนี่รู้แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะก็บอกทําตามที่พระองค์รับสั่งก็แล้วกันอยากพระองค์อยากไปอยู่โคนต้นไม้ไม่มีใบก็ตามใจกันก็ไปจัดที่พักให้อยู่โคนต้นไม้ไม่มีใบเหมือนกันก็เลยจัดที่บรรทมที่โคนต้นทองหลังก็กลัวพระราชาตรัสสั่ง เพราะกลัวนะว่าพพระพราชาสั่งมาว่าให้จัดที่พักที่โคลนต้นทองหลางเดือนแรกให่ใบดกมากเลยใช่ไหมท่ามกลางมีดอกงามตายเดือนไปเนี่ยร่วงโคลนหมดเลยเนี่ยนะ